เรื่องผ้านุ่งของภิกษุณีสมัยนั้นภิกษุณีทั้งหลายมีระดูนั่งบ้างนอนบ้างบนเตียงที่บุกไว้บนต่างที่บุกไว้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 พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตเชือกฟันผูกสะเอลสมัยนั้นพวกภิกษุณีจับพักขีใช้เชือกฟันผูกสะเอลตลอดเวลาคนทั้งหลายตำหนิประนามโพนทนาว่าเหมือนหญิงคฤรหัสผู้บริโภคกรรม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 ผูกซเอลแก่ภิกษุณีที่มีระ ด, ดูทุติยพานวานจบ